นะโมตัสสะภะควะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะกอนนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยโปรงเองโปร่งนั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายเล่มที่ส4บสข้อที่หกร้เจสบสาาตุวิพังคสุตร มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็ จ, จาริกไปที่ไหนแควนมกฏทรงแวะที่นครราชกฤตเสด็จเข้าไปหานายช่างหม้อชื่อภควะแต่ได้ตรัสถามนายช่างหม้ออย่างนี้ว่าลู้ก่อนนายภควะถ้าไม่เป็นความหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงสักคืนหนึ่งเถิดก็แต่พรุองคผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่มีความหนักใจเลยแต่ในโรงแห่งนั้นมีบรรพชิตเข้าไปอยู่ก่อนแล้วถ้าบรรพชิตนั้นอนุญาตก็นิมนต์ท่านพักตามสบายเถิดก็ในสมัยนั้นแหละมีกุลบุตรชื่อปุกกุสาติออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องดีเรือนอุทิศพระผู้มีพระภาคด้วยศรัทธาปุกกุสาติกุลบุตรนั้นเข้าไปพัก ในโรงของนายช่างหม้อนั้นก่อนแล้วในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปหาท่านปุ้กุสลติอย่างที่พักแล้วตรัสถามกับท่านปุ้กุสาติอย่างนี้ว่าภิกษุถ้าไม่เป็นความหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงนี้สักคืนหนึ่งเถิดในที่นั้นท่านปุ้กุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุ โรงของช่างหม้อนี้กว้างขวางนิมนต์ท่านผู้มีอายุพักตามสบายเถิดลำแบบนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่โรงของช่างหม้อแล้วทรงลาดเครื่องปูนั่งที่ตําด้วยญ้านณะที่ศูนควรข้างหนึ่งนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดํารงสรติไว้เฉพาะหน้าในทียนพระองค์ประทับนั่งล่วงเลยราตรี เป็นอันมากแม้ท่านปุกุสาติก็นั่งล่วงเลยราตรีเป็นอันมากเหมือนกันในครางนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีความคิดอย่างนี้ว่ากุลบุตรนี้ประพฤติหน้าเลื่อมใสเนาะเราควรจะถามดูบ้างจึงตรัสถามท่านปุกุสาติอย่างนี้ว่าภิกษุท่านบตรอุทิศไกลเล่า หรือว่าใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครท่านปุกุสาติด ต, ตอบว่าท่านผู้มีอายุมีพระสมณโคดมผู้สากยาบุตรเสด็จออกจากสากยาตระกูลผนวดแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าโคดมนั้นมีกิตติศัพฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยโปร่งเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจม่มแจ้งเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมข้าพเจ้าบวชบอุทิศ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระคนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นดังนี้เดี๋ยวดันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามปุกุสสาติภิกษุดังนี้ว่าก็เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรันตะต์สมมาสมพุทธะพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนภิกษุปกุกกุสาติตอบวา ท่านผู้มีอายุมีพระนักกรชื่อสาวิตรีเป็นเมืองอยู่ทางทิศเหนือเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาครันตัาสัมมาสัสมพุทธะพระองค์นั้นประทับอยู่ที่นั่นภิกษุก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นหรือและท่านเห็นแล้วจะรู้จักไหมท่านผู้มีอายุข้าพระชาไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเลยถึงเห็นแล้วก็ไม่รู้จักแล้วแบบนั้น พระผู้มีพระภาคได้มีความคิดดังนี้ว่ากุลบุตรผู้นี้บวชอุทิศเราเราควรจะแสดงธรรมแก่เขาต่อจ น, นั้นจึงตรัสเรียกปุกวสาติว่าภิกษุเอาหลักเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุคนเรานี้มีธาตุหกอย่าง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 ไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มปูนจาคะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนี่คือเนื้อความเริ่มต้นแห่งธาตุวิพังทั้งหกก็ข้อที่เรากล่าว ด, ดังนี้ว่าคนเรามีธาตุหกนั้นคือธาตุมีหกอย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากศาศธาตุและวิญญาณธาตุ ส่วนข้อที่เรากล่าวว่าคนเรามีแดนสัมผัสหกอย่างนั้นคือมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นแดนสัมผัสส่วนข้อที่เรากล่าวว่าคนเรามีความเหนืองนึกของใจ18อย่างนั้นคือบุคคลที่เห็นรูปด้วยตายอมนวงนึกรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนั้น มันเป็นที่ตั้งแห่งโธมนัตและเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องปฎิบาด้วยกายและรู้ธรรมลมด้วยใจแล้วย่อมหน่วงนึกด้วยภรรษานั้นๆอันเป็นที่ตั้งแห่งโธมณตอันเป็นที่ตั้งแห่งโธมนัตและอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา นี่เป็นการ น, น, ก น, น, าน่วงนึกในโทมนัสหกอย่างน่วงนึกในโทมนัสหกอย่างน่วงนึกในเวขาหอย่างนี่คือความน่วงนึกของใจ18อย่างส่วนข้อที่เรากล่าวว่าคนเหล่านี้มีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสอย่างนั้นคือมีปัญญาเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจมีสัจจะเป็นธรรม ควรตั้งไว้ในใจมีจาระค์เป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจมีอุปัสมะเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจคนเหล่านี้มีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างนี้ส่วนข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มปูนจาระค์พึงศึกษาสันติเท่านั้น เราอาศัยอะไรแล้วจึงกล่าวคืออย่างไรชื่อว่าไม่ประมาทปัญญาคือธาตุมีทั้งหมดหกอย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุธาตุดินที่เป็นภายนอกก็มีที่เป็นภายในก็มีธาตุดินที่เป็นภายในก็คือสิ่งที่มีลักษณะเข้มแข็งเป็นของ มีในตนเป็นของเฉพาะตนอันความยึดถือเข้าไปถืออแล้วเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าหรือแม้ถ้าชนิดอื่นไร ที่มีลักษณะเข่นแข็งเป็นของเฉพาะตนอันความยึดถือเข้าไปถื อ, อแล้วนี้เรียกว่าธาตุดินที่เป็นภายในธาตุดินที่เป็นภายในด้วยธาตุดินที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุดินสเสมอกันเท่านั้นอันใครๆพึงพิจารณาเห็นโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา คนเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็จะเบื่อหน่ายจากธาตุดินคลายกำหนัดจากธาตุดินได้ก็ธาตุน้ําเป็นอย่างไรเล่าคือสิ่งใดที่มีลักษณะเอิบอาบซึมซาบไปได้เช่นน้ําดีน้ํำสเลดน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหง่อน้ํามันน้ําตาน้ําเหลืองน้ําลายน้ํำมูก น้ำลื่นหลอ่อคอและน้ำมูดหรือแม้สิ่งอื่นๆไม่ว่าชนิดไรๆที่มีลักษณะเอิบอาบซึมซาบไปได้ที่มีอยู่ในตนนี่เรียกว่าธาตุน้ำที่เป็นภายในธาตุน้ำที่เป็นภายในด้วยที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุน้ำเสมอกันเท่านั้นอันไกลๆเพื่อเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรารัตเห็นธาตุน้ําอย่างนี้แล้วก็จะเบื่อหน่ายจากธาตุน้ําก็จะกายกาหนัดจากธาตุน้ําภิกษุก็ธาตุไฟเป็นอย่างไรเล่าธาตุไฟอันใดที่เป็นของภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเปล่าๆ น, นั่นความยึดถือก็ไปเสียวแล้ว เช่นไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟที่ยังกายให้กรวนกระวายไฟที่เผาอาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วให้แปรไปโดยชอบนี่ก็ดีหรือจะยังมีธาตุไฟอันอื่นที่เป็นภายในเป็นของเผาผลานอันความยึดถือเข้าไปเตี่วแล้วอื่นๆนอกไปจากนี้อันใดก็ดี ธาตุไฟทั้งที่เป็นภายในด้วยทั้งที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุไฟเสมอกันเท่านั้นอันไกลไกควรพิจารณาเห็นธาตุไฟด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นธาตุไฟนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้ว จิตย่อมเบื่อหน่ายจากาธาตุไฟย่อมคลายกำนัดจากาธาตุไฟภิกษุก็าธาตุน้ำเป็นอย่างไรเล่าธาตุน้ำที่เป็นภายในคือาธาตุอันใดเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปพัดมาอันความยึดถือเข้าไปถือแล้วเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่าลมเหน่วยต้อง ลมไนไส้ลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกธาตุลมที่เป็นภายในด้วยธาตุลมที่เป็นภายนอกด้วยก็สักว่าเป็นแต่เพียงธาตุลมสเสมอกันเท่านั้นอันไกลๆกึงพิจารณาเห็นธาตุลมนั้นด้วยปัญญายโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรากระเน็นธาตุลมด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบือหน่ายจากธาตุลมย่อมคลายกำหนัดจากธาตุลมก็อากาศธาตุหรือธาตุช่องว่างเป็นอย่างไรเล่าคือธาตุอันใดเป็นของภายในเป็นของแสดงลักษณะแห่งความว่างเช่นช่องหู ช่องจมูกช่องปากที่ว่างที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วผ่านไปที่ว่างที่อาหารที่กินแล้วตั้งอยู่ช่องที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วออกสู่เบื้องล่างนี้ก็ดีถ้าช่องว่างคืออากาศธาตุที่เป็นภายในด้วยที่เป็นภายนอกด้วย ก็สักว่าเป็นแต่เพียงอากาศธาตุเหมือนกันตท่านั้นอันใครใครพึงพิจารณาเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายจากอากาศธาตุ ย่อมคลายกำหนัดจากอากาศาธาตุต่อนนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู่อีกก็คือวิญญาณอันบริสุทธิ์ุทพ่องบุคคลย่อมรู้อะไรอะไรได้ด้วยวิญญาณนั้นคือรู้ชัดว่าสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างภิกษุพระอาศัยผันธะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาย่อมเกิดสุขเวทนา บุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้สึกว่ากําลังเสวยสุขเวทนาอยู่และพระผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแลดับไปก็ย่อมรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะนั้นคือตัวสุขเวทนาอันเกิดพระอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาย่อมดับย่อมสงบรงับไป และเพราะอาศัยปัจจะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาก็ย่อมเกิดทุกขเวทนาบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็ย่อมรู้สึกว่ากําลังเสวยทุกขเวทนาอยู่และเพราะปัจจะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหลดับไปก็ย่อมรู้ว่าความสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ปัจจะคือตัวทุกขเวทนา อันเกิดเพราะปัจจะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นย่อมดับย่อมเข้าไปสงประงับและเพราะอาศัยปัจจะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขกรมสุขเวทนาย่อมเกิดอทุกขกรมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขกรมสุขเวทนาย่อมรู้สึกว่า กำลังเสวยความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุขคืออัตุกรมสุขกไตนาอยู่และเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอัตุกรรมสุขเวตนานั้นแหละดับไปความรู้สึกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดแต่ผัสสะคือตัวอทุกขมสุขเวทนาอันเกิดเพราะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งอัตุกรรมสุขกไตนานั้น ย่อมดับย่อมเข้าไปสงบระงับภิกษุเปลียบเหมือนเกิดความร้อนเกิดไฟได้เพราะไม้สองท่อนประชุมสีกันและความร้อนที่เกิดแต่ไม้ทั้งสองท่อนนั้นย่อมดับย่อมเข้าไปสงบระงับเพราะไม้สองท่อนนั้นเองแยกกันไปเสียคนละทางฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งดับไปเวทนาคือความรู้สึกก็ย่อมดับย่อมเข้าไปสงบระ ง, งับต่อจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่อีกก็คืออุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนโยนสละสลวยและผ่องแผ่วภิกษุเปรีเหมือนนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองประกอบตัวเบ้า แล้วฉาบปากเบาแล้วจับแท่งทองด้วยคีมวางที่ปากเบาแล้วสูบลมโดยการอันควรพรมน้ำโดยการอันควรตรวจดูโ ด, ดยการอันควรเมื่อใดที่ช่างทองทำอย่างนั้นในการนั้นทองนั้นย่อมเป็นทองที่มีเนื้ออ่อนควรแก่การงานของช่างทองส่งรัศมีมีเนื้อไม่ร่วน และเหมาะสมกับการกระทำของช่างทองถ้าใครปรารถนาจะกระทำเรื่องประดับต่างๆเช่นตราบต้มหูสร้อยคอหรือสวนมาลาก็ตามก็สำเร็จประโยชน์แก่เขานั้นข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเหลืออยู่แต่อุเบขาอันบริสุทธิ์หุดผ่องอ่อนโยนสระทสวยผ่องแผ้ว บุคคลนั้นย่อมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกานี้อันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะและเจริญจิตมีธรรมะควรแก่ฉากนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัยอากาสานัญจายตนะนั้นถึงอากาสานัญจายตนะนั้น เรงอยู่ตลอดการยืนนานถ้าเราจะน้อมอุเบกานี้อันบริสุทธิ์พุดปองอย่างนี้ไปสู่วิญญาหนันจายตนะไปสู่อากินจัญญายตนะไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะและเจริญจิตมีธรรมข่วนแก่ชานั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อุเบก้าของเหล่านี้ก็จะเป็นอุเบกขาอาศัย ฌานนั้น น, น้นดำรงอยู่ตลอดการเพียงนั้นบุคคลนั้นย่อมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกานี้อันบริสุทธิ์ผุดป่องอย่างนี้เข้าไปสู่ฌานมีอาการสาเนนใจยตนะเป็นต้นแล้วเจริญจิตมีตามควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นสังคตะบุคคล น, นั้นจะไม่กาหนิดถึงจะไม่คิดถึง ความเจริญหรือความเสื่อมเลยเมื่อไม่คิดถึงไม่กำเนิดถึงก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นก็ไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งก็ย่อมปริณิพันธ์นเฉพาะตนนั่นเดียวเขาย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกถ้าเขาเสวยสุขเวทนาอยู่ <c oughs> ก็ย่อมรู้สึกว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินถ้าเสวยทุกขเวทนาอยู่ <c oughs> ก็ย่อมรู้สึกว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบัณฑิตไม่ติดใจไม่เพลิดเพลิน ถ้าเสวยอะทุกขมสุขกเวรนาอยู่ก็ย่อมรู้สึกว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงอันบันดิตไม่ติดใจไม่เปลิดเพลินถ้าเสวยสุขเวทนาหรือทุก ข, ขเวทนาหรืออะทุกขมะสุขเวทนาก็เป็นผู้พราดใจเสวยเวทนานั้นก็เมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดรอบก็ย่อมรู้ชัด ว่าเราเสบยเวทนามีกายเป็นที่สุดรอบเมื่อเสบยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรอบก็ย่อมรู้ว่ากำลังเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรอบข้อนั้นย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจะเป็นของดับเย็นในอัตภาพนี้นั่นเดียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทาลายแห่งกาย ปิจเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันเพราะอาศัยน้ำมันและไส้จึงลุกโปร่งอยู่ได้และเพราะสิ้นน้ำมันและสิ้นไส้นั้นและไม่เติมน้ำมันและไส้อื่นอีกก็ย่อมเป็นประทีปหมดเชื้อดับไปชันใดก็ฉะนั้นบุคคลเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็ย่อมรู้ชัดว่ากำลังเสวยเวทนา มีกายเป็นที่สุดเมื่อเสบยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็ย่อมรู้ชัดว่ากำลังเสบยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเมื่อรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วก็จะเป็นของดับเย็นในอัตภาพนี้นั่นเดียวส่วนกระตั้งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายณ น, นี้อย่างนี้แหละชีวะ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้ก็ปัญญานี้คือความรู้ในความสิ้นทุกข์ทั้งปวงเป็นปัญญาอันประเสริฐยิ่งความหลุดพ้นของเก่านั้นจัดว่าตั้งอยู่ในสัจจะเป็นคุณไม่กำเริบภิกษุเพราะสิ่งที่เปล่าประโยชน์เป็นธรรมดานั้นเท็จสิ่งที่ไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดา ได้แก่นิพานนั้นจริงฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอย่างนี้ช่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัจจะอันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งประการนี้ก็สัจจะนี้คือนิพานมีความไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดาเป็นสัจจะอันประเสริฐยิ่งอนหนึ่งบุคคล น, นั้นแลยังไม่ทราบในการกร จึงเป็นอันพร่งพร้อมสมาทานอุปติเข้าไวอุปติคือเชื้อเหล่านั้นอันเข่าละได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วท้ายไม่เหมือนตาลยอดด้วนแล้วถึงความไม่ให้มีไม่ให้เป็นไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพูดถึงพร้อมด้วยการสละอย่างนี้ชื่ว่าเป็นพูดถึงพร้อมด้วยจากะ อันเป็นธรรมควรตั้งไว้ในใจอย่างยิ่งด้วยประการนี้ก็จาคานี้คือความสลัดคืนซึ่งอุปธิกอเชื้อทั้งปวงเป็นจาค้าอันประเสริฐยิ่งอันหนึ่งบุคคลนั้นยังไม่ทราบในการก่อนจึงมีความเพ่งเล็งฉันทะราคะกล้าอาฆาตพยาบาทความคิดประทุสร้าย อวิชาความหลงความหลงงมงายข้อสุดรธรรมนั้นๆเป็นนั้นเขาละได้แล้วถอนรากขึ้นได้แล้วทําให้เหมือนตายอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยความสงบอย่างนี้ชื่อว่าถึงพร้อมด้วยอุปัสมะคือความสงบเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ อย่างยิ่งประกาศนี้ก็อุปสมณนี้คือความเข้าไปสงบราคะโทสะโมหะเป็นอุปสมะอันประเสริฐอย่างยิ่งข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประมาณปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มปูนจาคะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนั่นเองเรากล่าวเนื้อความนี้เพราะอาศัยเหตุผลนี้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 เรากล่าวแล้วพระาะใส่เหตุผลว่าความสำคัญตนมีอยู่ดังนี้ว่าเราเป็นเราไม่เป็นเราจะเป็นเราจะไม่เป็นเราจะต้องเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญาเป็นต้นก็ความสำคัญตนจัดเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศร ก็ท่านเรียกบุคคลว่าเป็นมุนีผู้สงบแล้วเพราะล่วงความสำคัญตนได้ทั้งหมดเดียวและมุนีผู้สงบแล้วแลย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่กำเริบไม่ทะเยอทยานแม้มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่จะต้องเกิดเมื่อไม่เกิดจะแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จะตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตาย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 มุนีพู้สงบแล้วนั้นเราอาศัยเนื้อความดังนี้จึงกล่าวแล้วภิกษุเธอจงจำทาตุพิปังหกอย่างโดยยอดนี้ของเราไม่เถิดในลำดับนั้นท่านปุ ก, กุสาติทราบแน่นอนแล้วว่าพระาศาสดาพระสุคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงแล้วโดยลำดับจึงลุกจากอาสนะห่มผ้าฉเวียงบ่าข้างหนึ่ง ศพศีรษะลงแทบเท้าของพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษที่ข้าพระองค์ได้ล่วงเกินเข้าแล้วข้าพระองค์มีอาการโง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งข้าพระองค์ได้สําคัญต้อยคําที่เรียกพระผู้มีพระภาคว่าผู้มีอายุขอพระผู้มีพระภาคจงรับการอดโทษล่วงเกินแก่ข้าพระองค์เพื่อจะสํารวมระวังต่อไปเถิดภิกษุเอาเถิด โทษล่วงเกินได้ต้องเธอผู้มีอาการโง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งเธอได้สำคัญถ้อยคำที่เรียกเราด้วยวาทาว่าผู้มีอายุแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราจึงรับการอดโทษของเธอข้อที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสมํารวมต่อไปนี่เป็นความเจริญในอริยวินัยนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาวเจ้าเถิดภิกษุก็บาทและจีวรของเธอมีครบแล้วหรือยังไม่ครบพระเจ้าค่าภิกษุตาาคตทั้งหลายจะให้กุลบุตรผู้มีบาทและจีวรยังไม่ครบอุปสมบทไม่ได้เลยและบบบนั้นท่านบุคุลาติยินดีอนุโมทนาภาสิต กอนพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกะทำประทักสินแล้วได้หลีกไปหาบาทและจีวรทันใดนั้นแม่โคได้ปลิดชีพของท่านปุกุสาติผู้กำลังเที่ยวหาบาทและจีวร อ, อยู่ต่อจากนั้นมิสูตมารูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกลบุตรชื่อปุกุสาติที่พระองค์ตรัสสอนด้วยโอวาทย่อๆคนนั้นทำการลเสียแล้วเขามีคติอย่างไรมีสำปรายภพอย่างไรพระชค้าภิกษุ์ทั้งหลายปุกุสาติกลบุตรนั้นเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ทำแล้วทั้งไม่ให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายปุกุสาติกลบุตร เป็นผู้เข้าถึงอุ ป, ปาติกะเทพคือเป็นอนาคามีเพราะสิ้นเรื่องร้ายรัดเบื้องตาำห้าอย่างเป็นผู้มีปกติบุรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่กลับมาสู่โลกนี้เป็นธรรมดาทาตุวิภังขสูตรจบฟังธรรมคำพุท ธ, ธ